เมื่อเราที่นั่นไม่ได้ลืมเราหน้าไปกี่ทีกี่เดือนก็ไม่รู้ต้นเหตุวามเกิดที่ไหนต้นเหตดจริงๆเกิดที่นั่นมันขีดอยากนั้นขีดอยากมันทั้งนี้ทัมั น, มนเพราะความอยากคือที่เหนียนี่เหนียวก็แสดงความหยาบออกมามันไม่เคยพอดีน่เหนียดมันไม่เคยมีความพอนี่เปนะ็อยากโรก่อเวลาอยากมากหยากน้อย ทำหน้าท้องพิเดที่มีมากที่น้อยมันแสดงอยู่โดยสมัครสมมติถ้าเราเจานะดักแพบบิเดทก็ต้องดับความอยากตองนั้นต้องรู้เหตุผลของวันที่มันแสดงออกไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรทให้รู้เราหาวันดับไม่ได้เพราะมันคิดอยากแล้วขึ้นมา เป็นประกานี้เป็นปานคือคร้อยตามคล้อยตามแล้วก็เลยไม่เห็นโทษทังขมันทั้งเห็นแสดงก็เห็นยลยนะพรนาจึงต้องดูจิดมาดูหลายครั้งแล้ยหมดูติดต่อไปเดยนดับมันก็รู้เดียกว่ารู้ที่ทำความเพียรรู้งานของความเพียร รูวิธีหลบปิดถอดถอนวิธีต่อสู้อย่างนู้นก็ค่อยๆตายหมดไปวันเดียวา้ำ้อนทำ ง, นงออหน้าจิตตภาวนาให้ด้วย่อามลวเอียดละอเดื่อความถูกต้องนั่งดังเวลานี้เราอยากเข้าใจปัญหาได้ง่ายนะมีร้นมีความแล้วในประมาทมันก็าพันแต่ตัวคนตัวข้า มันไม่ร้อยพันด้วยความรู้ความฉลาดในหลักปฏิบัติเนืลล้อรู้ตามความคิดที่มีพอที่จะแนะนำสั่สอนผู้อื่นนั้นได้ถูกต้องแน่นอย่างเพราะตนไม่ถูกต้องตนไม่เห็นตนไม่รู้เพราไม่ต้องแบบสุ่มดาวงั้นเหรอเราเรียนมาจากคำพีจํำมาได้ครับเป็นเราะ หมดทั้งพระรไกรพิฎกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อนะไรติดขัดขึ้นมาเราจะยกอะไรมาเทียบมาแยกยนมันยากมันมีแต่ความจำไม่จบเพราะนั้นคุณต้องอาศัยภาคปฏิบัติแล้วอาศัยครูบาอาจารย์ที่เคยปฏิบัติเข้าเข้าใจมาทั้งโทษทั้งคุณทุกอย่างแล้วท่านก็อสอนได้ยถูกต้อง โทษนั้นก็สิ่งที่ผิดก็เป็นควรได้ผ่านมาแล้วรู้เรื่องวิธีแก้ไขคุณก็ได้ผ่านมาแล้วรู้เรื่องวิธีส่งเสริมทาไม่รู้จงถอดทั้งคุณทั้งผ่าสองสอนได้หรือไม่สนใจทางภาพปฏิบัติด้านจิตใจของเขา มีคนเรื่องอื่นใดไม่เรามีความหนักแน่น่างนั้นความถนัดใจความสนิใจมีเรื่องจิตระครมาเพราะน่าสนิทใจกวาเรื่องหน้าที่การงานในไรเด้านรับในการก่อแปรยื่นบันจิตละครมาหน้าคนนั้นก็ทำะไร การการสร้างกิจวัตรไปต่อกิจกรรมนั้านาแเป็นหนามกัน้นทางได้เป็นอย่างดีด้วยหาที่เล่นก็ออกไปไม่ได้าดูสถระนะของเราพระพุทธเจ้าประากฏว่าท่านจะสร้างอะไรเวลาสเสด็จออกพิเกสโกมีแต่การประกอบความเพียนทางใจล้วนล้วน ตั้งแต่วันแรกเป็นมาทั้งถึงวันกระสือปีมันสร้างมันจะสร้างใจทั้งน้นสร้างใจสร้างธรรมสร้างาพระปีญญกันดาคนด้วยความขาดเกลื่องควมปนี่แหละสัดาของพวกเราต้องสร้างอย่างะถ้าสอที่เป็นแสนนะ ก็เหมือนกันมันจะสร้างุปราลามมหาอุปราลามของนวิสาขาพระนุ่นว่าพระโมกขาราพระนนไม่รู้นพระโมกขารนี่ก็เรื่องนี้ตั้งแต่ตังผู้สิ้นเนี่โมกขาาท่านสิ้นเนี่ท่านรู้ เอ่ยลูกผลลูกความพอเหมาะความสมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการงวสูงจนกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยุ่งยากกับความเพียนโย ก, กับกิจการงานภายนอกโดยตลอดเวลาพระหันท่านนั่ น, นเป็นอย่างนั้นสร้างมีฐานมี า, มรรายลัราดูว่าเป็นพระโมกขัน ห, หลายนั่นเรเห็นอะไร ท่านสร้างหัวใจทา่านทำนั่นผิดกันมากไหมกับพระสมัยทุกวันนี้และพระปฏิบัติในสมัยทุกวนันนี้ผิดกันมากไหเมื่อการดําเนินผิดกันมากผลจะไม่ผิดกันได้อย่างหเหตุแยกตัวอยู่ตลอดเวลาผลก็ต้องแยกตัวให้ผิดกันไปแต่เอตุกรมเืนจะการหลักธําม ข, ของะ้า ต่อสาวกที่มีเงินมาผลก็ต้องคงคืนกันไปอย่างแยกไม่ออกเพราะเหตุกับผลนี่เป็นสิ่งที่คงเชื่อคงหวาต่อกันอยู่เสมอ ม, มาตั้งแต่ครั้งไหนๆจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตไม่มีสิ้นสุดเหตุกับผลจะต้องคงคืนกันไปโดยลําดับลำดาบเหยี่ยมนะเพะราะเป็นฉะนั้นจึงไม่มีกล้ไมีไกลไม่มีนานไม่นานในเรื่องของพระพุทธเจ้า ไปผ่านนี้ข้าสาวท่านดำเนินข้านนั้นกั้นมีถึงไม่ไม่มีเรื่องการประฐานที่เขาเข้าไปทำลายถ้าลงในปฏิบัติดำเนินตามหลักที่ท่านสอนนั่นแล้วผลมันเป็นที่ถึ้ตพอใจจะปรากฏขึ้นมาขึ้นมาเป็นลำหน่อยเปเหมือนครั้งพุทธกาลไม่มีอาไีแตกกัน เรือมันจะหนาขนาดไหนท่องพุทธการกับข้างนี้มันก็อยู่บนหัวใจคนนี้มากก็เหมือนกันแก่สีจะมาที่ปัญญาเป็นต้นก็มีอยู่เป็นหัวใจที่เมื่อผิดให้หนึ่ขึ้นถ้าให้ผิดก็มีแต่กิเลสเต็มหัวใจสุ้มไทยคือกิเลสหาทางเดินไม่ได้ในแบบ ข, ข้างนู้นข้างนี้ อาจะไปหลงสถานที่การมนามากไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นเครื่องดําเนินเพื่อความถูกต้องมาสมและบรรลุถึงจุดมุง่งหมายโดยลํดยาดับจนกระทั่งถึงที่อันพึงใจยอยากเต็มโผหรือมุติธรรมนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องําเนินนี้ไปได้เลย เรายึดอันนี้เป็นหลักควะับว่าหากไม่ยึดจะเสียไปเสียไปนะเรื่องความดื้อด้านไม่มวาม่ากิเลสตัวไหนมันต้องดื้อเสมอถ้าเราไม่ปราบปรามมันมันจะพาเราดื้อดืหนักข้าหนักเข้ า, ขาทุกวเวลาเวลาตื่นก็ท้องหาที่แทรกทําลงไม่ได้มีแต่กิเลสดังแล้วหมดติดกั้นแล้วหมด นั่นเลยก็คือตัวดื้อด้านตัวขัดขืนกับธรรมตัวทุ่มทำเป็นข้าศิษยตัวต้าทานกับธรรมต่อสู้กับธรรมนั่นเลยจะเป็นอะไรมีที่ไหนมีที่หัวใจเ่ามีอ น, อนี่ไม่อยู่นที่อื่ใด อ, อืมมาย้อนอหลังไม่หลงไม่ลืมถ้าหลงต้องเป็นสัพเพธรรม กรองไปนี่มันแน่วนตั้งแต่ต้นเริ่มปฏิบัติต้นถึงปัจจุบันไม่มีหรือไม่มีโรคเรือนเลยเพราะเป็นจัจธรรมเป็นความจํำมันก็หลุดได้อนนี้ไม่ใช่ความจํามันความจริงปรากฏอยู่กับจิมากน้อยทั้งฝ่ายผิวเหนือก็เป็นความจริงฝ่ายนักคือการปฏิบัติถวายตอนผิวเหนือด้วยวิธีหรืออาการ ใ, ใดๆะมันก็เป็นความจริง ด, ด้วยกัน ทั้งสี่อย่างทุกสมุทยนม่รอดมากเป็นความจริงด้วยกันและมีอยู่ที่ใจอยู่นี้เพราะฉะนั้นจิงไม่มีการอยุดเ่ยในปฏิปทานผลที่ดำเนินมาขนาดขนาดนาั้นจิตเป็นยังไงมีความผัดผลโลดเต้นอย่างไรบ้างเมื่อรับการฝึกฝนธรมานเต็นกำลังความสามารเพื่อความเหมาะสมกับพิริยประเภทดุ ด, ด้านนั้นแล้ว ผลเป็นขึ้นมาอย่างไรบ้างต้นคนรู้รู้โดยลำดบเข้าใจาเดยลยดเป็นแถวเป็นแนวรื่อยมาจนกระทัง่งขัง้นกิเลสมันหอบมันไม่สแสดงาหาที่หลบซอ่อนสติปัญญาก็ต้องคุยเฉียดคุ้ยเฉียดจะปราบให้รากหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในใจิตใจจะก่อฆ่าศึกต่อกันขึ้นอีกได้ ถึงขัน้นสิเรศหมอกมันหมอกถึงขั้นปัญญาสติปัญญาคือทำออกกวาดล้างกวดต้อนออกอย่างเป็นที่เป็นฐานออกไม่มีเรื่องเวลาไม่มีสถานที่การเวลาก็หมาเกี่ยข้องมีแต่หมุนกับงานเพื่อค่าพิเรศไม่แก้พิเรศถอถอนพิเรศแต่โดยรวม งานไหนมันจะลืมไปได้เพราะฉะไม่มีกิเลสตัวใดเหลือพันอาศัยมโนสุขเต็มที่แล้วมันเครื่องจนคนรใจนม่นแล้วมาควรใจจึงควรใจมันหมดไปแล้วเมื่อนัดของปากเขียนอัจฉริดปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญ อย่าลืมนี่หละหลักใหญ่เครื่องมือสำคัญที่แก้ิเลสกิเลตัวไหนก็มาพ้นตัณิ์ปัญญาสตธาของเกียร์นี้ไปได้เลยในปัจจุบันานอาดีตที่ผ่านมาแล้วในอนาคตที่ยังไม่มาถึงเป็นเรื่องของความจริงอยู่ในตัวทั้งสิ กังใจผู้มาศึกษาก็ให้ดูให้ดีนะอย่มาเดเด่นดันๆพอให้ผ่านวันผ่านคืนไปแล้วผ่านรอหนังหมาอบรมศึกษากับครูกับอาจารย์ฉะ น, นั้นนับสำนักนี้โดยเจ้าของสนใจเพื่อหาความจริงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีเทาถ้าจิตเต็มอย่างนั้นความเป็นไปตั้งตนเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นก็จะมีเป็นเพลร่องความโม้ ออกไปแลโ้เาไ้เคยอบรมครูอาจารย์ตรงนั้นนั่ทอยู่ทำดีเท่านี้เดือนคนอไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรการมงมกันโอวดนอกจากมาทำลายตนโดยทานเดียววงอัตนิทามาอยู่ลองดูให้ดีคิดปีปัญญาติด ต, ตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยิน เกี่ยวกัอกับหมูกับคณะหรือครูบาอาจารย์ดำเนินอย่างไรฟังให้ถึงใจชิดให้ถึงถังคือว่ามาศึกษาอบรมเพื่ออัดเพื่อทาจะได้สาระสาคัญใช้เป็นประโยชน์จะเป็นหลักเป็นเกจการปฏิบัติเป็นหลักเย็นสำคัญเป็นแบบสวัสดั์สำคัญมีแต่เรียนความจดจำไม่เคย พบเคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านพาดาเนินโดยถูกทางนั้นก็จับต้นจนปายนมได้บางท่าที่เรียนก็เรียนมาแต่วิธีันกเ็เรียนไม่รู้วกตัวอยากเึ้นตัดยบสวงกีวรลังขาตุดอย่างนี้เป็นต้นเอาลี้เวลาเ่ออาจารยนนักทำตัดตตอย่างนั้นกระโรงนั้นอะวนี้จำไปเหมือนว่าขุมทองแก้ข้อขาอเวลาจะเกียแก้นอยูไ่ไม่รู้่า แก้คืออะไร น, นี่แต่ความจำนี่เฉยไม่มีภาคปฏิบัติมันก็ไม่ได้เราก็เรียนวิธิกัดจมูกตัวนี้เขาติดในตำราแต่เราทําไม่ได้ทําไม่เป็นนี่เรียนจาไว้เฉยเวลาทำทำให้เป็นทำงานสาครัจาจำที่เป็นท่านปฏิบัติอยู่แล้วเป็นกิจประจําท่านตัดท่านเย็ดเอง ตัดเองเงย็บเองไปก่อนไนมะ่มีจกมักรมาเย็บ mm hmm. ด, ด้วยมือนั่นเห็นภาพปฏิบัติเข้าใจเป็นหมอเหมือนได้ทำด้วยมือตัวแล้วเป็นภาพปฏิบัติแล้วแล้วก็ตักได้เย็ดได้นั้นนี่คืาปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พาปฏิบัติเราก็ได้เห็นด้วยตางเราได้ดําเนินด้วยปฏิบัติตามท่านด้วยเราก็เข้าใจ นักการต้องการปฏิบัติคืออย่างนี้แม้จกักแต่ว่าจํามาตามทุดนอนกว่าต่างๆว่าท่านทําาอย่งนั้นทํานทำนี้ทั้นๆ ท, ท, ท, ท, ท, ท, ที่ไม่เคยมีผู้พาดําเนินมันก็ไม่เข้าใจานั้นหลักคนเราถ้าปฏิบัติจริงจรของจําเป็นหลังจากไปะยัดจาเรื่องราวอะไรได้แล้วถ้าปฏิบัติการลง น, นูนทํามีเป็นสิ่งจาเป็นขึ้นหนักขึ้นอีกถ้ามี ทิเวศถึงจะปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนตามกำลังความสามารถของการนำเนินของสติปัญญารูม้ ม, ม า, าโดยลำพังโดยกระทั่งเป็นที่เข้าใจได้โดยตลอดถูวถึง mm hmm. เมื่อเข้าใจได้โดยตลอดถูกถึงแล้วทำทั้งปวงก็ไม่มีปัญหาไม่สมใจอะไรทั้งสิ้น จะไม่เรียนถึงจบพระกายไปดุกแต่ความจริงที่ทรงไว้นี้เต็มหัวใจอยู่แล้วเนี่ยท่ามักก็ใจผู้สมวันแล้วท่าผลใจผู้เป็นผู้สมว้แล้วผลอันสุดยอดใจก็จะชมวัเแลยวอนมุมุตติพนิาพานในหนังสือใจก็เป็นมุตติพ้นแล้วในตัวของตัวเองรู้เห็นได้อย่างชัดเจนเป้าของเป็นสมบัติ เจ้าของเป็นเจ้าของของมหาสมบัติอ<ด>ันนี้อยู่แล้วและสงสัยไปไหนหาความสงสัยไมนน่ได้มีอุกสันติทิโกการที่สันติทิโกความเห็นเองรู้เองจะเกิดต้องมาศัยภาคปฏิบัติอภิญญาตเยนวิธีการมาแล้วมาศัยการปฏิบัติยิ่งสายกรูอาจารย์ผานดำเนินไปแล้วก็ยังเป็นความสะดวกสบาย นั่นก็เป็นปฏิเวทะตามขั้นตามภูมิโดยเด่นแบบจนบรรเป็นปฏิเวทะโดยสมบูรณ์ที่ผ่านทุกแย่งแต่ตลอดในธรรทั้งหลายความสงสัยในสิ่งใดใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกนี้มันก็ไม่มันมีที่แค่สงสัยอืบาปบุญคุณโทษและโลกสวรรค์ทรโลกมันก็หมดสงสัยจนกระทั่งพระนิพพานถึงนอกสมมุติก็หมดสงสัยนั่น ผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อมีอะไรเข้ามากวนใจเนะี้ยคนเราจะ อ, าอะไรเป็น ท, ทุกข์ทุกข์ทางใจก็มีสิ่งรบกวนทุกข์ทางกายก็มีสิ่งรบกวนเช่นร้อนมากไปหนาวมากไปหิวก็หายมากไปมีความลบ ก, กวนสิ่งรบกวนนั่นก็เป็นทุกข์จิตใจก็มีอากมณเป็นทุกข์เข้ามารบ ก, กวนใจบีบคั้นวังคับใจในปัญหาของจุดความสบายไนดะ้ได้ นอกงพิจารณาเมื่อใหมดค่าสุดแล้วอะไรจะสงบเงียบยิ่งกว่าใจสันติ่นั่นที่สันติปรมสุขขงังความสงบใดที่จะเสมอใจที่สงบตัวด้วยกิเลสไม่มีเหลือเลยไม่มีแล้วในโลกนี้นี่อสันติแห่งพรนิผ่านนีสันติแั่ผู้บริสุทธิ์เต สันติความสของสมาธิเป็นขั้นขั้นขึ้นมาแต่สันสินติคนะือสันติสมาธิเป็นความสงบจากที่เล็ดเป็นอุปทิเวศกายเวศกิตตวิเวศกิตตวิเวศเป็นขั้นขั้นลงไปนะเพราะอุปทิเวศแล้วตั้งหนักจากที่เล็กไม่มีที่เด็ดตัวใดมานี่ผูกได้ตลอดถึงผ่านมานอุปทิเวศเหม่อนกิตตาวิเวศนี่มันเป็นขั้นขั้นมันต่อไปตามกาลังของจิต ที่บังเป็นได้ใน้า ก, กันมีความสนจจก่อสันติธรรมซึ่งจะปรากฏขึ้นภายในตัวผู้กำลังต่อส่วนหาด้วยความทากเปลียยนดยวิธีการต่างๆเต็มทะศน์จิกำลังความสามารถทำ่างนี้จะไม่ปรากฏที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่เหตุ คือการกระทำของเราเองปวดประสาทเลยธรรมาณอธิบายมก็่ฟังเลปวดประสา